รับที่นำติดตัวไปได้หนึ่งร้อยหนึ่งที่ชื่อว่ารับที่นำติดตัวไปได้ได้แก่รัพ์ที่ทูลไปแบกไปกระเดียดไปหิ้วไปภิกษุมีทยจิตจับต้องรัพ์ที่อยู่บนศีสัตต้องอบัตทุกกดทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจลดรัพ์ลงมาที่ไหลต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทยจิตจับต้องรั์ที่อยู่ระดับไหล ต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุเลจรัยลดซั์ลงมาถึงระดับเอลต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทายจิตจับต้องทซั์ซึ่งอยู่ที่สะเอลต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุเลจรัใช้มือถือไปต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทายจิตวางทรัพย์ในมือลงบนพื้นต้องอบัตปาราชิกหรือเอาจากพื้นไปต้องอบัตปาราชิก